ก็เป็นปัญหาตามติดเข้ามาเมื่อชีวิตอยู่ในลักษณะนจนมุมก็ไม่ต่างกับจนตรอกปราที่นี้อะไรก็ได้เรื่องเหตุผลไม่ต้องพูดกันเราทั้งหลายต่างก็เป็นศาสนิกะคือเป็นคนมีศาสนาทุกๆศาสนาคำสอนในศาสนาล้วนสอนให้ศานน ส, สนิกะนั้นๆเป็นผู้มีเหตุมีผล